คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้ถามผมไม่นิสัยชอบคุยกับตัวเองมานานเผลอเป็นไม่ได้จะคุยหรือระลึกเรื่องต่างๆได้กับตนเองบางทีนั่งอมยิ้มตุ้ยเพลินเลยครับขนาดแฟนผมเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งเคยเห็นคนที่นั่งคุยกับตัวเองได้เสมอๆก็คราวเนี้ทีนี้เวลาปฏิบัติธรรมให้สังเกตจิตหรือเวทนาผมเอาอีกดวงจิต ที่ชอบคุยด้วยเป็นตัวสังเกตรหรือผู้รู้ผู้สังเกตได้หรือไม่เวลาเรามีสติสัมปชัญญะแล้วใช้สติระลึกรู้นามธรรมในจิตนั้นถ้าดูได้ละเอียดจนพบคนหลายคนในตัวเราคนหนึ่งรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉยคนหนึ่งเป็นคนคุยความจำต่างๆขึ้นมาคนหนึ่งเป็นคนคิดคิดตลอดเวลาแล้วพูดเจ้าเจ้าไม่เลิก คนหนึ่งเป็นคนรู้อะไรผุดขึ้นก็มีหน้าที่รู้อย่างเดียวที่ดูแล้วมันกลายเป็นหลายคนนั้นไม่แปลกหรอกครับคือนามทั้งหลายมันถูกจำแนกออกเป็นเวทนาในวงเล็บความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาในวงเล็บความจำได้หมายรู้สังขารในวงเล็บเจตนาดีร้ายความชอบความชังและวิญญาณในวงเล็บ การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเดิมสิ่งเหล่านี้ร่วมหัวจมท้ายกันคอยก่อปัญหาให้เราคือมันรวมกันเข้ามาเป็นความรู้สึกว่าเราเราเราเวลาปฏิบัติแล้วจะมีกี่ตัวก็ช่างมันเถอะครับให้มีตัวหนึ่งเป็นคนดูอีกตัวหรือหลายตัวก็แสดงหน้าที่ของมันไปอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วครับนักปฏิบัติจานวนมาก ต้องการดับความคิดตัวความคิดหรือสังขารขันนั้นเป็นส่วนของทุกท่านให้เรารู้ไม่ใช่ไปละมันเพียงแต่เมื่อสติสัมปชัญญะรู้ความคิดแล้วความคิดจะค่อยๆเงียบเสียงลงตามลำดับโดยไม่ต้องไปบังคับมันมันจะพูดก็ช่างมันมันจะเงียบก็ช่างมันรู้มันไปเรื่อยๆอย่าเผลอก็พอแล้วครับ เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับสังขารขันหรือเวทนาและสัญญาขันแต่ปฏิบัติเพื่อจะรู้ทันความเกิดดับของมันด้วยจิตที่เป็นกลางถ้าคิดจะดับมันจิตจะเกิดความรำคาญใจขึ้นมาเล็กๆแบบไม่รู้ตัวครับเรียกว่ากิเลสเกิดขึ้นแต่เรารู้ไม่ทันจิตจึงไปปฏิเสธสภาพธรรมที่กาลังปรากฏอยู่คาตอบโดยอ้างอิงจากบทความโดยสันตินัน หรือพระปราโมทปราโมชในปัจจุบัน9มิถุนายน2542